ا ع و ذ ะเ ل ل ه ทรงอวย ا รให้เราไ ل ้รั ل ควา ل รอดและได้รับควา ل ل ุขในสวรรค ي ن อพ ع ะเจ م า ل รงอวยพ ع ให د เ ا าได้รั ا ل วาม م อดและได ي รับความสุขในสวรรค์ข ا พระเจ้ ي ทรงอวยพรให้เราได้ร ه و ความรอดและได้รับความสุขใ ل สวรรค์ขอ ر ح ะเจ ل าทรงอ ك ยพรให้เราได ل รับความรอ ปลดให้พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาอัลกุรอานอย่างใกลชิซึ่งในสถานการณโรคระบาดแม้กระทั่งในอดีตอดีตการที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสถานการโรคระบาดมันวุ่นวาย เพียงพอที่จะให้ระบบการศึกษาเนี่ยพังยับไปหมดนัหมายรวมว่าช่วงโรคระบาดนี้เพียอว่าเรื่องเรื่องการบรรยายการศึกษาเรียนรู้เรื่องเรื่องศาสนาแม้กระทั่งการไปร่วมละหมาดกันที่มัสยิดเนี่ยก็จะมีความระมัดระหวัง แต่กรอนมีนไม่มีระบบสารสุขที่เข้มงวดเพราะด้านการแพทย์นี่ก็คงไม่ได้ม่ได้เจริญเหมือนปัจจุบันแล้ดีงนี้เนี่ยก็สาธารณสุขกับการปกครองนี่จับมือกันแล้วก็สั่งการจึงเห็นระบบการศึกษา รัศดรสถานเนี่ยถูกควบคุมถึงประชาชนจะไม่เห็นด้วยแต่ก็โดยปริยายเนี่ยถูกควบคุมโดยบังคับยิ่งสถาบันการศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ย ที่อยู่ในการบังคับบัญชาของระบบ ก, การปกครองทั้งหลายเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของการปกครองร่โรงเรียนปิดมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยอาจจะไม่ไ ม, ไม่แปลกไม่แปลกมากแต่ถามจริงเถอะพวกเราเคยคิดไหว่าวอมสิทธิ์จะถูกปิด ผมว่าไม่ไม่ไมใครไม่มีใครเคยนึกหรือจินตนาการว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดน่าจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้ไม่ใช่โรคระบาดนะสั่งปิดคือฟิวอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอจินตนาการไนดะ้ หม้กระทั่งในในสถานการณ์คือฟิวที่ที่มีรัฐประหารอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็ปล่อยนะเ้าปล่อยมุสลิมให้ไปละหมาดที่สุราบบางพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่ไม่ขัดข้องยิ่งถ้าเป็นชุมชนปิดไม่ได้ออกไปในท้องถนนนะนะั้นเขาก็ระหมาด ก, กันแตนี่ชุมชนอยู่นู่นลึกๆในปาน่าปิดเลยนะล็อกประตูมัสยิดเลย มันเป็นเรื่องเหนือการคาด <c oughs> ผมก็ชอบพูดอยู่ตลอดว่าบทเรียนสำคัญที่เราได้จากรูกระบาดพร้อมกับการที่เราได้สัมผัสกับโอกาสที่ยังยังพอมีพื้นที่พะประกอบศาสนกิจพื้นที่มาเรียนรู้เรื่องราของศาสนา มันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าจริงๆนะถ้าเรามานั่งคิดดูตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามานั่งคิดกันดวูว่ามีมิสธิ์ที่ไหนบ้ า, บางเขามีจัดปัญญาตอนนี้ถ้ามีก็อาจจะแอดแอดทำกัน เพราะอะไรความความวัดวันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยคิดไม่รู้งงเขนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แอบทำนะเราก็ไม่ได้แอบทำเราก็ทำตามมาตรการถูกต้องทุกอย่าง <c oughs> แต่ก็ต้องมาตั้งคำถามว่าแล้วเรามีบุญวาสนาอะไรที่จะถูกถูกอนุญาต ให้เราได้มาได้มีโอกาสมาพบปะกันเรียนรู้อัลกุรอานในยามเวียดกบฬาในยามที่อย่าว่าเบิ้งไทยนะมักกะวันดีน่าเนี่ยแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบของมัสซีร์ของฮละก้อนเนีย ที่ไม่เคยขาดมาเป็นพันๆปีเนี่ยเป็นพันปีเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีเลยอนะย่าว่าอย่าวประเทศไทยนะสายามประเทศอะนะกกว่เนี่ยต้องกลาว ا ل ح م ه, มากมา ก, กนะครับที่เราเองก็ ม, มีโอกาสยรงมีโอกาสที่เรียนรู้ แล้วขอให้พวกเราได้นํามาเป็นบทเรียนว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องความโปรดปรานเป็นโอกาสที่เราให้เนี่ยแล้วเราทำได้ง่ายง่าแบบไ ม, ไม่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลําบากอะไรมากไม่ต้องลําบากลําบนอะไรมากกันนะเราก็อย่าอย่าทิ้งมันง่ายเพราะเราไม่รู้啊 มันจะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้เราอดอดอยากเรื่องดีๆแบบนี้สิ้นเชิงเลยกันออะาารเรียนรู้ศาสนานี่มันเหมือนมันเหมือน อะไรที่บำรงจิตวิญญาณของเราในบรรยากาศให้บรรยากาศของเราเนี่ยมันมีชีวิตชีวาสกยมมีละหมาดมมีสดมมีจะมาไม่มีจุมไม่มีบรญญายไม่มีชีวิตมุสลิมเหลืออะไรละหมาดที่บ้าน อ่านกูดอ่านที่บ้านมันใช่คำตอบไหมดูดูยูทฟังฟังปัญญาที่บ้านมันจะเป็นคำตอบที่ช่างตลกสำหรับคนที่เห็นความสำคัญมัสิดนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ความประเสริฐ ท่านนบีล่านเลวซลมดกล่าวถึงเรื่องนี้นมันมหาที่สุดไม่ได้แล้วผลบุญของการละหมาที่มัสยิดผลบุญของการละหมาจะมาจะมาผลบุญของการลมวงฮลกเรียนรู้ดลทั้งหมดนี้มันก็ มันไม่สามารถที่จะปรากฏปรากฏตัวได้ในพื้นที่อื่นๆถ้ามันยังคงมีอยู่เนี่ยพวกเราตืองพยายามพยายามรักษาไว้คองกันช่วยกันตักเตือนกันให้ให้ให้รื่ีเนี่ยได้เป็นบทเรียน ชีวิตของเราทั้งชีวิตนะนะก็ไม่รู้จะเจอบทเรียนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหรา่นี่บางาัาดีนะ่าจะอา ย, อยุมากที่สุดแล้วเจ็สิบห้ายังประมาณฮะเจสิบสี่เคยเจอมามแบบเนี้ยโรคระบาดแบบเนี้ยเคยเจอไหชีวิตนะโรคระบาดแบบนี้เคยเจอ <laughs> ขอสาเนี่ม uh, e yup ันสาสาไปสามาไม่น่าจะมีอืสบายด้วยทุนแม้ว่าเราจะต่ำต้อยแค่ไหนมีมีบาทมีความชั่วมีความผิดแค่ไหนนแต่เราผว่า การที่เรายัางพยายามที่จะให้รูปแบบาาาการรัร่วอ่านมันไม่ขาดไปมันไม่ได้ไม่ไไมขาดไปจากประเทศไม่ขาดไปจากพื้นที่ในเมื่อมันทำได้เพื่อไม่หนิดเหนื่อยในการหาคำตอบว่าชาไหนเลยคุเกียรมากนี่ ตอนวลาดามว่มาใช่ไหนเลยพวกเจ้าไปตลาดสดก็ไปกั น, นไปแมคโครก็ไปกันเข้าเซเว่นเนี่คนติดใจตั้งนี่เห็นเห็นนั่นยืนแถวกันก็เข้าคิวกันไม่มีเห็นจระรามัดระวังกันแต่ที่เมื่อสิบใหญ่มาร่มมสร้างมันเป็นสิบสิบล้าน ถูไ ด, ด, ด, ด้เป็นพันคนเนี่ยขอมาละมาสะพกสิบคนเนีนที่มัสยิ์บางที่เนใหญ่กว่ามคโครแมคโคนะคนมาละมาดน้อยกว่าคนที่เข้าห้างอ่ก็ไม่รู้จะไปตอบตัวหันย่งไงไม่เปิด ติดมัสยิดแล้วก็ไม่มีคาตอบคนที่มัลลามาเออจะปิดอะไรเนี่ยตามตามความจาเป็นที่ปิดปิดตั้งตัดูมาดังจะมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยทุ่มเหตุ่มหุน งด้านหลักการศาสนาเนีด้านวิธีศาสนาเนีานศาสนาสูนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังปิดเขาบอกว่าพื้นที่แออัดแออัดมัสิพื้นที่ใหญ่ๆเน่ยละหมาดจุได้พันคนละหมาดกันแค่รอยคนอย่างนี้จออยืห่างกันนะทําตามมาตการได้ โรครระบาดมันบ้านเรามีเามันไม่ได้ร้ายแรงเหมอนที่อื่นไม่มันอยู่มันยังอยู่ในระดับการควบคุมควบคุมมันไม่ได้ ม, า, า, ม, ไมไดาไดหลุดสถานการณ์ช่วยเหลือท้ายหนี่ปีกว่าแล้วเช่ไหมแล้วเนี่ปีกว่าวคนติดทลายนะเมัน อยงนันอย่า น, นี้คิดเลยนะบางประเทศเนียเขาติดวันเราตุนแสนอะเขาติดในวันเท่ากับบางประเทศเนียเพื่อนบ้านเนี่ยวันนังเป็นหมื่นนะเท<ส>่ากับที่เราติดทั้งปีนะ<ส>ใช่เราสระสมของของบ้านเราดีกว่า เห็นเขาเถียงแต่อะไรสารพัดเรื่องค่าใช้จ่ายของรักเรือดำน้ำเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นตัดงบเบด้องตัเถียงต่อะไรแต่ไม่คยมีใครมาเถียงเลยไอเรืองคุณราทาเรื่องสี่งเราทจะออกมาจะไม่เปลนอีกอีกเมื่อส่ทํามไม่มีใครออกมาเถียีนเร่องเรื่องอื่นอะเลอเื่องการเบืออเรื่องอะไร เขาอมีเสียงเสียงหอโม่โหดี๋ยวเอยีสีเนี่ยยังไม่มีนะไม่มีสั่ไม่มีไม่มีสั่ิดก็คิดว่าก็คิดว่าจะพยายาดิ้นรนนะจะดิ้นรนกมายแลก็ต้องดิ้นรนคือไม่ใช่าี สะสมนะแต่เางัก็ออกมาว่ากัน้เราส่กันที่ไหนจะมิดสํานักงานหรือส่วนนักงาสนนขอขอเถียงบ้างนะมันจะได้มีคนเถียงเพื่อคุณธรรมบ้างไีเถียงกันเ่ระบบบริหาร จากการมัตงๆแตสาวซุกนีก็ไม่เที่ยงเงินแต่พอรืสนาครับก็ไม่เทียงเงนเลยถ้ามีเงเดียวปิปบางที่เนี่ยปิดก่อนนี่สั่งปิดเลยพิ่ปิดะก่อนดหลายยังไม่สั่งปิดเลยปิดเสียก่อนแต่ก็อย่างีอ้าที่อัลลอฮสุฮาโนฮฺไบอกว่าสุนัตนันที่เราเนไปแล้ว ดังนี้นเพราว่าความบริสุทธิ์ปราณในใจเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคนชนอื่นของนชนเกาจะเขาจะเปลี่ยนสภาพของเขาด้วยตัวเองก็หมายถึงมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหลักการที่เราใช้ให้เขาดำรงไว้ มีมัสิตทั้งทีมีพื้นที่ให้ประกอบศาสนกิจทั้งทียามปกติยามสุขสบายกันไม่ใช้ให้เต็มที่ไม่ใช้ให้เต็มที่ในพยามวยกริดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนั่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาสั่งบิดแล้วก็ไม่ไม่มีใครไปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็เนื่องจากว่าสภาพของสังคมมนุษย์เนี่ยห่างไกลจากหลักการศาสนาอยู่แล้วห่างไกลมากเราต้องใช้เวลา น, านานในการที่จะปรับเปลี่ยนสภาพของตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพสภาพ จิตใจของเรานี่ความเข้าใจเรื่องหลักกาศาสนานี่ยังมีเยอะที่เราต้องต้องเปลี่ยนแปลงต้องศึกษาเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดนี่นะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮฺฮานอ้วดานะตักย้ําในสุรษะอัลอิมฟัลให้เอาบทเรียนของประชาชาติยุคก่อนเช่น เหตุการณ์ที่อัลลสุบานาอูตะลงโทษพระชาชาติยุคก่อนมาเป็นตัวยอย่างเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้พวกเราได้ระมัดระวังไม่ประพฤติไม่ทำสิ่งที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาทำแล้วก็รับการลงโทษอย่าทำเหมือนเขาเดี๋ยวก็เจอเหมือนเขาเขาก็ก็มาตอบย้ำอีกทีหนึ่ง ในอ้ายฮาซิบซีกระดับอ้ายฟิร ا กอ م นและท ن า و ب ี่ ا ยู่ก่อ ل พวก و َาค ل บุบอ้ายอัติรับบิ่มฟา ا ์ลขนะบุมด้วยดุบิ่มว่ารักน่าอ้ายฟิร์กอานและทุกคนที่เป็นผู้ที่อยู่ก่อนพวกเขา ซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การอาะห์52หรือว่ากัฟรูกัฟรูซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การอันนี้กะดะบูดอายะตุรุนุนกัฟรูอันนี้กะดะบูซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การที่จริงกะดะบูกัฟารูมันก็เหมืนเดียวกันนะแต่เขาแปลให้ดู ไม่เหมือนเพราะคามันคำเ่ยกะฟารูกะซะบูไม่เหมือนกะซะบูกะซะบูปฏิเสธกะซะบูกะซะบูมายถึงว่าหาว่านบีโกหกก็คือปฏิเสธกาดิบกาดิบเนี่ยกะดาบเน่ยโกหกใช่กะซะบูก็คือเขาหาว่าที่นบีมาอ้างว่าเป็นบันาลของน้องเนี่ยเขาโกหกะซะบูปฏิเสธแล้วกะฟารูละกะฟารู ราคเขอกกฟารกฟารูแปลว่าปกปิดเขาบอกกาฟาระกาฟาระแปลว่าปกปิดกาฟิรผู้ปกปิดกระเศรก่อนเนีานาเนี่ยคนเดียวกันกาฟิรพระหุบนี่กุฟาร์เหมือนกันรอในสุรุต เลยกิ่งดวยเหตุกุฟฟาร์ก็ะติดกวนนะก็ได้กลัวกุฟฟาร์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเเอาเม็ดมาเล็ดพืชเนี่ยไปฝังในดินแล้วก็เติดรดน้ําครียกอะไรได้กว่ากาเฟฟนี่ก็คือปิดเอาเม็ดแล้วก็มาปิดเอาดินแล้วเอาไปกลรุะไม่ไปกรุบไปกลุบในดินแล้วก็รดน้ําก็เรียกว่ากุฟฟาร์ อะนั้นกูฟังโดยรากศัตท์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าผู้เผยที่สิ่งศรัทธาอย่างเดียวนะในภาษาอังเนี่ยบางทีเนี่ยาา ร, ารากศัพท์นี้มีความหมายหนึ่งบางครั้งบางคราวอาจจะถูกใช้ตามรากศัพท์เดิมๆเลยนี่พอเขามาใช้คําว่าก็ฟาราว่าฟิร์า ว, ร า, ววว า, ราวนี่อัลฟิร์าวนี่ อายาฮัสบงคฟรบิบายาติลลาอายาฮัสบซีดคดบิอายาติลลามันมีค ي ي ่าเดียวกันไหมอุตมาบางท่านน่พยายามพยายามที่จะบอกว่าไม่ได้มันคนละความหมายกันเนื่องจากว่าเขาปักหลักปักหลัก ไว้ทฤษีหนึ่ ي, งว่คุณอ่านเนี่ยไม่มีไม่มีซ้ําไม่มีพูดซ้ำหมายถึงว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีไม่ ي, ไมีความหมายใหม่เพราะในคุณอานก็มีซ้ำไงอะบิอียลาอิอบิกุมาทูกะิบานะกัพูดซ้ําใช่ไหมใช่แต่มันแต่มันพูดซ้ําแต่มีความหมายใหม่ เกี่ยวกับแตละนื้อมะต่างๆที่เราได้ระบุแต่ละอายะเนี่ยมีเนื้อม่ใหม่แล้วก็ถามอีกครั้งหนึ่งว่าเนี้ยมะนี่ปฏิเสธได้ไงจึงไม่ถือว่าซ้าแต่จะมีพูดอายะเดียวหรือสองอายะเนี่ยคือเนื้อหาเดียวกันนะนะโอเลมามังโกมูมีมีหรือคุรอานแล้ไม่มีทำไมอะ เขาบอกว่าการพูดซ้ําเนี่ยเป็นความอ่อนแอของมนุษย์ที่พูดไม่เป็นแต่กุศอ่านเนี่ยเป็นมั่งดีดดยเฉพาในด้านภาษาไม่ควรไม่ควรที่จะเชื่อกอุศอ่านเนี่ยพูดซ้ํจาจัดทฤษฎีที่เขาปักหลักไว้แล้วตรงนี้กุศลอ่านแล้วไม่ซ้ําแสดงว่าไอ้สองอายะเนี่ย ความหมายเนี่ยมันไม่ซ้ำมันอาจจะดูเหมือนกันแต่ที่จริงเนี่ยมันมีความหมายที่มันลึกลับที่แตกต่างกันไปกาวคือเขาบอกว่ากัฟฟรูนนี่คือปฏิสิทธิ์ไม่เชื่อฉันไม่เชื่อฮะสุโขวามีคนหนึ่งที่นี่มาบอกว่า นี่ไปดูดิอเมริกาสมมตินะไปดูเนี่ยอเมริกานี่ทำเนี่ยกบฏแล้วเขาเไม่ไม่ไม่เอาใบดินแล้วก็ไม่ให้ขึ้นเป็นประกันแผมบอกว่าไม่เชื่อเฉยแต่เี๋ยวเนี่ยพูดที่เขาโก้คนละันใช่อหมเขาบอกว่าอัลลอฮฺ س ب าละ กำลังจะบอกว่าการลงทษต่างๆในรูปแบบต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากประพีกประพีีบาปความผิดที่ก็าตังซึ่งมันแตกต่างกันไปในครั้งแรกนี่เอามาได้พูดถึงการปฏิเสธเฉยๆซึ่งมันบาปต่างหาก การปฏิเสธเดี่ยวดีนะบาปตังหากอันแรกก็คือกฟรุบิอาญาติเลเขาไม่เชื่อองค์การหุ่นแต่เพอมาอายะห้าซิบสีวคะดับูบิอาญาตรบีิซึ่งพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การแห่งพระเจ้าค้ดับูก็คือกล่าวหาบรรดานมีรสูนว่าพวกเขาอาจจะ มองโดยผิวเผินนี่ดูเหมือนว่ามันมีค่าเดียวกันแต่ที่จริงเนี่ยถ้าถ้าถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะการที่เราไม่เชื่ออาจจะไม่ไดีหมายรู้ว่าเราปรักปรำคนที่มาแจ้งข่าวาเขาเป็นคนโกหกก็ได้เขาอาจจะเขาอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เชื่อนั้น เพราเราไม่ได้ไม่ได้กล่าวหาว่าเขาโกเพียงเราไม่เชื่อแต่นี่ไม่เชื่อแล้วก็กล่าวว่าถ้ากล่าวว่าโกหกนี่อันนี้ก็คือไม่เชื่อแล้วก็ยังกล่าวหาเขาดีวยว่าโกหกองนนี้ในีนในุณอ่านอัลลอฮ์ว่า فإن فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين بآيات الله يجحدون แท้จริงเขาไม่ได้กล่าวหาว่าเจ้าโอหกรับแต่ซาลิมีนผู้อธรรมนั้นเข้าปฏิสีตองการขององละต่างหากอายันนี้นี่เท่ากแบบับเราบอกว่าที่เขากล่าวหาท่านนมีนี่มีเป้าประสงค์ ความประสงค์นี่ก็คือเป็นการปฏิเสธองค์การของเราในตัวก็แสดงว่าส่วอันนี้จาหลักฐานอายะเนี่ยแสดงว่าการกล่าวหานาบีว่าโกหกถือว่ามีการปฏิเสธองค์การในตัวก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นบาป เป็นบาปสองเท่าแต่การปฏิเสธการปฏิเสธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้กล่าวหาน บ, บีวโโ่าโกหกอาจจะเป็นบาปตัวเดียวจากหลักฐานที่เคนาหุมเลยอยู่กับบู้องอ๋เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะกล่าวหาท่านว่าโกหกอย่างเดียวนะเป้าหมายข้นี้คือปฏิเสธ กันโนาเรีมีอเยติละเฮาชาดูเป้าประสงค์ของเขานี่ก็คือปฏิเสธองค์การออมะโดยเอาเรื่องการกล่าวหาว่าท่านโกหกเนี่ยเป็นเป็นวิธีในการที่จะปฏิเสธแสดงว่ามันมีมันมีสองอย่างนะยันก็แสดงว่าอายะแรกเนี่ยที่มีการกล่าวก็ฟารูวีอายะติละ กับกรบุเบกตล้มันมีขอมม้อแตกต่างมีดูละปฏิเสธละก็ไมกล่าวหาน บ, บีอูกอกมีอบูทาลิบอบูทลิบนี่ไม่ยอมรับในกุรานแต่เคยเคยเชื่อเคยกล่าวหาหลานท่านยนน บ, บีวกูกอฮมมีกลุ่มหนึ่งในชาวกุเรชเนี่ย จะเป็นญาตินบีหรือไม่ได้ยาตนาบีเชื่อมากกับว่านาบีเนี่ยไม่เคยโกหกแต่เขาไม่เอ า, เ า, เอาแต่เขาไม่กล่าวหาท่านนาบีว่าเขาโกเออมันก็มันก็มีมือนกันแต่ถ้าของมันอะ น, นะทั้งทั้งสองอะ น, นะจะปฏิเสธองค์การหรือไม่อย่างเดียวหรือจะหรือจะกล่าวหาท่านนาบีบรรดา น, นาบีว่าเขาโกหกด้วยอะนะ มันก็คือค่าเดียวกันนะแล้วก็คือก็คือตกศาสนานั่นแหละแต่ความเข้มข้นของบากนี่มันอาจจะไม่เหมือนกันเออแล้วก็มีประโยชน์อะไรล่ะเนี่ที่เราอยากจะอธิบายว่ามีประโยชน์อะไรล่ะที่อรรอมาพูดมาพูดอายยานี่ดูเหมือนว่ามันซ้ำแต่ที่จริงเนี่ยมันมันไม่ซ้ำเพื่อกล่าวถึงบาปของฟิรรา์และวงเวรของฟิร์รา์ พระกคองพี่เราบาปหลายอย่างที่เขาทำซึ่งมันร้ายแรงทั้งสิ้นที่มันมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้อัลลอฮฺ سبحانه และลุมตุฟาลกน่าฮุมบิดุนูบิห์มอะยาฮิบอุลซนิฟะฮ์ฟาฮัดฮุมอัลลอฮบิดุนุบิห์มอัลลอฮฺซุลงโทษพวกเขาอาคัดฮุมข้าไปว่าฟาฮั อ่ะขนาดแปลตรงนะอ่ะขนาดแปลว่าเก่าสมัยน um ี้มันก็ยึดชีวิตขาแต่นี้เขาก็เลยตีความว่าอ่ะขนาดเก็ดีความว่าอัลลอฮ์ลงโทษแต่อายะห้าสิบสี่เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟ่อดแหลกแน่หุ่มบอว่าได้ทํำลายไม่ใช่ลงโทษเลยนะได้ทํำลายมีผู้รู้ ที่ได้ดีความลึกซึ้งไปกว่านั้นนะบอกว่าเราบกว่าฟิราอนอย่างที่เคยบอกกันนไม่ไม่ใช่คนเดียวเป็นกษัตริย์หลายองค์ในยุคของของอีโบราณนะเขาบอกว่าแม้กระทั่งฟิรานที่ท่านนบีมูซา ไปดาว่าเขาแล้วก็เอามอ้อดีบากไปนำเสนอแล้วเขาปฏิเสธกับทิ่เราเอาที่ไล่ล่าท่านนาบีมูซาและจมนะเขาว่าคน ล, ละองกันและตลอดชีวิตที่ท่านนาบีมูซาอยู่ที่อียิปต์ในดาว่าิีาเราเนี่ยก็มีการลงโทษหลายอย่ามีการลงโทษ م ِกา ك ล ا ن َ ل เ ن ط و َ ك ا ن ت ِ ل ا ل ل ه َ د ب َ ا ع ٌ ز ر َ ا ل ع ر ب ف ر س ل ن ا ع ل ي ه ا ل ج ر ا د َ و ا ل ق ُ م ل َ و َ ب ف ا د ع َ و ا ل د م َ أ ي ا د ِ م ُ ف َ ص ل َ ا ل ل ه ُ لَنْطَوَنَ ك ا ن َ هَيْنَ ع م تِخَبُرِي بَعْضَ سَنْعِيبِ لِأَدِيدِ نَيْهَةُ الْمَلَكِيَّةِ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ مَنْ เรื่องเ م ื่อ ي แหล่ ل น م ํา เจอน้าที่ไหนนี่ก็จะเป็นเลือดวัดได้มาไปเจอแหล่งน้ำแหล่งชื้นชื้นที่ไหนนี่ก็จะเจอเจอตะกบนาสวนที่ไหนนี่ก็จะเจอตะกระแตนปลูกทรงมาเป็นจํานวนมากมาทำลายทําลายเกษตรของเขานี่นี่การลงโทษเป็นการลงโทษที่อาจอาจไม่ได้เป็น ความไหยาณ์ที่ประสมกับตัวเขาเองแต่ในอายะห์54นบอวกบอกว่าอหลลักแนห์ทาลายทําลายก็อัลลัคแลห์ฮัลละก็เนี่ยคือไหยาณ์ฮัลละก็คือไหยาณ์นั่นแหละการนี้แปลคําว่าอหลลักแนห์แลว่าทําลายนี่ก็หมายถึงว่าทําลายชีวิตชีวิตของเขาะะจการอธิบายเนี่ยก็แสดงว่าบาปของฟิร่าห์เนี่ยอันหนึ่ง พี่เราเนี่อาจจะคน ล, ล, ล, ละคน ล, ละคนก็ได้หลายองค์ไงกษัตริย์หลายคนสองบางเขาหลายอย่าสามการลงโทษนี่มันก็หลายประเภทเพราะฉะนั้นอ่านดูอย่างลึกซึ้งเนี่ยอายะสองอายะเนี่ยห้าสิบสองกับห้าสิบสี่เนี่ยถึงแม้ว่าคำสัท์อาจจะดูใกล้เคียงกัน แต่ข้อแตกต่างมันก็ยังมีดีในอยะห้าสิบสองเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันในความเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษอินลองลอฮะกูฮิชาดีบะอในอยะห้าสิบสี่เนี่ยอัลลอฮ์ที่อินทายบอกว่าว่าอะรักกน่าแอลฟิร้าอัอายะห้าสิบสองมีอะรักกนา แล้วเราได้ให้วงวานฟิราฮุนจมน้ําตายุ52นี้ไม่มีอย่างนี้คือข้อแตกต่างนะครับวะคุลุนแกนุดัลิมุลวะวะวคุลุนแกนุดัลิมินละทั้งหมดนั้นพวกเขาเป็นผู้กระทำนั่นก็เป็นซอหนึ่งทั้งสิ้นคุลุนทั้งหมดทั้งหมดนี่ใครทั้งฟิราฮุนและก็วงวานา องควานเาอไม่รู้อินูอินเนนะทำเฉยไม่ปฏิเสธการกระทำของพิกเราเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอ่านในคุรอานเนี่ยก็จะพบว่าในด้านการเอาโทษเอาโทษกับคนที่ทำความผิดเนี่ยมีอยู่สามระดับ ระดับแรกคนที่ทำความผิดระดับที่สองคนที่สนับสนุนคนทำความไม่ได้ทาความผิดแต่สนับสนุนคนที่ทาความผิดระดับที่สามเนี่ยคือคนที่เห็นรู้เห็นชอบหรือไม่ปราบปรามคนที่ทาความผิดเหมือนกันหมดเช่นอุลซน ك و شن ا ب ي صالح أصحاب الناقة. เขาถูล ل م โทษพรเขาไปฆ اء و ن คน ا ي قاء و ن เนี่،ใคร،คนเดียว أ ش ق ا ه ا แป็นละมัชื่ออุดารอิมูซาคนเดียวที่เชื่ออุที่เป็นเหตุอัลล์ลงโทษกลุ่มชนในมิโซทั้งหมดนะคนที่เชื่ออุคนเดียวอาแล้วคนที่สนับสนุนน่ะในเมืองนี่ของนบีซอลและนมีมีตัวร้ายนี่อยู่ เก้านคนรวมหัวรวมตัวกันเก้าคนแต่คนที่ลงมือคนเดียวคนที่สนับสนุนเก้าคนแต่พอเนาะพูดถึงการทำบาปนะฟะกัจจับูฟะอักรูฮาอุมชนนบนีศาลาในปฏิเสธนบีศาลา แล้วก็ร่วมกันเชื่อกุดหนทั้งหมดนะรวมอัลลอฮฺถือว่าทั้งเมืองกั่นแหะทั้งดั้งที่ค น, ค น, คนที่ลงมือกี่คนคเนี่ยวแต่ถือว่าทําบาปกันทั้งหมดเลยแสดงตรงเนี้ยว่าคนลุ่นกุลุ่นการุ่นซอลิมีที่จริงน่ยคนที่ซาลิมเนี่ยฟิราอุนเนี่ยที่ทำก็คือตัวอาไทยนี่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงต้องสังเกตอ่ะตัวนี้อ่ะ อยากจะสังคยนาเลยพออยากจะอยากจะตําหนิไอ้ตัวดีดีได้ไงอ่ะตัวดีนี่คือฟิราห์ใช่ไหมตัวโซนิบเนี่ยคือฟิราห์ใช่ไหมสมมติฐานะว่าถ้าฟิราห์นี่เป็นเป็นคนดีอ่ะชาวอียิปนี่เขาจะยังไงวงวานของฟิราห์นี้ยังไง ก็จะกินหอกันก็จะจะหอคนคนคนส่วนมากก็อย่างนี้แหละชอบกินหอบชอบอะไรชอบเอออถึงเงี้ยเกดเงี้ยคนส่วนมากเยเอออหอ แต่านเป็นคนนีอเขาจะเป็นคนดีแต <c oughs> ่พาวนกลายเป็นโริมอัด้วยอัลลงบอกว่าุุนทั้งหมดนี่เป็นโจริมกาินพรเป็นโมกันนังนานแต่ที่จริงเนี่ยผด็ดการนี่คือคนเดียวผด็จการคนเดียวแต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ กิจกานี่ไม่เกิดขึ้นันั้นทุ่นี่มันก็ต้มันก็หมด่ะ <c oughs> พูดถึงพี่เรานีย <c oughs> ในสายตาของเราเนี่ยเวลามองถึง <c oughs> เวลามองถึงคนที่ทำความผิดทำบาปเนี่ย <c oughs> คนเรานี่ก็ไม่จะพยายามทำตัว เว ล, ลาวิจารณ์คนอื่นนะนะโดยเฉพาะถ้าเรามีส่วนส่วนร่วมกับบาปของเขาหรือมีส่วนที่ห้ามปราบปรามไม่ได้อนะ่ะคือพยายามจะแยกแยกแยกชั่วชั่วก็ชั่วชั่วก็ชั่ว ดีก็ดีเพื่อให้เอาเรื่องดีเนี่ยมากลบซั่วเช่นคนนี้นะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ละมาดเขามีเงินก็ไม่ได้สะากดาเขามีเงินก็ไม่ได้ทำฮมกเขาต่เข า, าริยศเขาดีนะ เขาดีเขาดีมากต้องการอะไร ถ, ถึงแมว้ว่าคนนี้แต่มาเรกเขาดีนะก็เก็เอาเอาหมายถึงว่าเอาดีของเขานี่มา ก, กบสิ่งที่มันมันไม่แฟร์โดยเฉพาะถ้าถ้าความดนของเขานี่ยมันแรงมันควรที่จะสลับประโยคกัะนะแต่กะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นถึงแมว้ว่าเขาเป็นคนดีนะ มีมารยาทดีนะแต่เขาไม่ละหมาดเออมันก็มันก็เห็นภาพอ่ะมันมันมันมันมันยุติธรรมหน่อยแต่นี่จะเอาเรื่องเรื่องดีเล็กเนี่ยมามากบบาปใหญ่นี่มันมันเล่เหมาะถึงแม้ว่าเขากินเหล้าถึงแม้ว่าเขาเสพยาถึงแม้ว่าแต่เขาก็ดูแลสุขภาพดีนะกินสมุนไพรมี <c oughs> เป็นตะ ก, การปะ เนี่ยเป็นตะการมะไม่ใช่เลยนี่อะไรกบเนี้ยถ้าคนเสียมารยาทกับอัลลอฮ์พระเจ้าเนียแล้วก็มารยาทดีกับคนนีปรยนอะไรเสียมารยาทกับอัลลอฮ์นี่ปฏิเสธอัลลอ์นี่ไม่มีมารยาทกับอัลลอ์นแต่มันมีมารยาทกับกับคนน่ะ มารยาทดีกับทุกคนในชุมชนแต่ไปเสียมารยาทกับผู้ใหญ่ไปด่าผู้ใหญ่คนในชุมชนเนี่ยเขายกให้ไหมโอ้โหไอที่เขาดีกับชุมชนทั้งหมดเลยนะไม่ไม่ผ่านเลยไปด่าผู้ใหญ่คนเดียวนะด่าผู้ใหญ่คนเดียวที่เป็นสุดที่รักของคนในชุมชนนะ่ะแต่เขาเนี่ยก็ดีกับชุมชนทุกคนนะใช่ไหมแต่ไปด่าผู้ใหญ่คนนีเฮ้ยทำได้ไงอะ ทั้งหมดเลยเนะี่ยสมาชิกในะชุมชนทั้งหมดเนี่ยมารวมกันรวมกันรว ม, มมาทุ่มเล่ทุ่มเป๊ะเพราะอะไรเพราะไม่เสียเวลากัผู้ใหญ่คนเดียวอันนี้ยกตัวอย่างให้มันดูคนกว้างๆหน่อยนะจะได้มไม่ได้นะเออไปว่าอิหม่ามคนเดียวอย่างเงี้ยว่าอิหม่ามคนเดียวแต่ดีกับซาบุรุทุกคนซาบุรุนี รุ ม, มาต no ุ <ng> e ้มเลยบ้นามคนเพวกว่าอีคนเฮ้ยกูเทียร์กับมึงว่าอย่างไรไอะ้นี่คนเสียมาระยะตอนแล้วไอนี่ก็คนเราก็ถึงแม้ว่าถึงไม่ว่าเขาไม่ละหมาดถึงแม่ว่าเขาไม่ดีอะไรกับเรอเลยนะมาระยะเขดีนะคนนิสัยดีนะเนื่องจากว่า เราพยายามที่จะเอาคุณสมบัติของของมนุษย์เนี่ยให้คุณค่าตีราคาตามมาตรฐานของเราตอนเราก็หลังสอนบอกว่าถ้าถ้าจะยุติธรรมเนี่ยพยายาถ้าโดยเฉพาะถ้าจะให้คะแนน ถ้าจะให้คะแนนในเรื่องที่ควรที่จะแยกแยกแยกระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานมองมนุษย์เนี่ยโดยปราศจากความเป็นมนุษย์เลยมองมนุษย์นี่ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมองมนุษย์นัว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์นี มันไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแต่มนุษย์ดันปฏิเสธพระเจ้าอัลลอห์จังบอกว่าอินชรอัลลอฮ์แท้จริงสัตว์โลกที่ชั่วร้ายให้มองแบบนี้ให้มองแบบนี้เนี่ยแล้วก็มันจะแบบนี้น่แยกแยกแยกถูกต้องพอเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ และเดราัชานี่มันก็เป็นสัตว์แต่เช่ไหนเลยมนุษย์อย่างที่เป็นสัตว์มีสติแต่นันปฏิเสธพระเจ้าแล้วก็เดรัชานี่ที่ปัญญาของมันเนี่ยเทียบไม่ได้นะกับมนุษย์นะแต่มันไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าแสดงว่าใครเร็วกว่าเหมือนเดนีที่เป็นดามาออเทสติกะนะถึงแม้ว่าปัญญาไม่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ แต่ไม่ได้ทุจริตไม่ไดูรูปป่าแต่โดนกล่าวหาว่าอ้นี้มันมันเด็กอะไรสิกอย่าว่าคนที่ไร้ปัญญานคนไม่สมประกอบเนี่ยเขาไม่มีปัญญาก็จริงนะแต่การที่ไม่มีปัญญาโดยที่ไม่เอื้อให้เขาทำบาปเนี่ยทำให้เขาได้มีความประเสริฐมากกว่าคนที่มีปัญญา และกะตั้งใจทำบาปเพราะฉะนั้นนะอัลลอฮ์เนี่ยคนที่ไม่สมประกอบนี่นะชาวสวรรค์อย่างเดียวถึงจะทำบาป น, นะอัลล์นะคนที่ไม่สมประกอบชาวสวรรค์เข้าวสวรรค์เร็วกว่ารวไฟฟ้าความเร็วสูงตื่นจากกูโบนี่เข้าวสวรรค์เลยไม่มีสอบสวนไม่มีทำไม เขาไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วที่เขาทำบาปาก็ไม่ตั้งใจทําบาปถ้าบังเอิญเข้าไปทําบาปนะคนที่ไม่สมประกอบ่ะถ้าบังเอิญก็าไปทำบาปก็ไม่ได้ตั้งใจทําบาปแต่คนที่มีบัญญาแล้วก็ทําบาปนะมีแผนนะมีแผนอือะ จะได้พ้นจะข้อหารุปป่าเนี่ยโอ้โหแผนขนาดไหนนี่ดูดูท่าว่าจะรอดนะเนี่ยวางแผนขนาดไหนอินชาอัลลอฮ์ดวาอินดัลลอฮ์แท้จริงสัตว์โลกที่ชั่วรา้ายยิ่งนกอัลลอฮ์ถ้าเราเขารถพักดีต่อเราเราก็จะเอามาตรฐานของอัลลอฮ์ไม่เอามาตรฐานของมนุษย์ มาตารฐานมาตารฐานของมนุษย์ในบางทีเนี่ยก็เอาเอาคุณสมบัติบางทีมันก็ได้สาระต้องดูก่อนคนดำรงตําแหน่งเป็นอะไรเขาแต่งตัวยังไงเขาหิ้วกระเป๋ายี่ห้ออะไรเขาใส่แว่นยี่ห้ออะไรนาฬิกายออี่ห้อต้องดูก่อนนะเออบางทีเนี่ยเอราะดูดูถ้าหมาแต่งตัวดีแต่เพราะโทรศัพท์ ของจีนอก็พูดอีกระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าไอโฟนสิบสองออกอันนี้ต้องพูดอีกระดับนึงขึ้ น, ข, นขึ้นอีกระดับหนึ่งใส่รองเท้าขับรถมา้าระดับหนึ่งทางนั่นทีนะถ้าขับรถแบบงั้นอย่างงั้นนะ่ะนะพูดอย่างหนึ่งรถเบนท์ก็อีกอย่างหนึ่งรถแบบอ รถตู้แบบดำๆอะไรก็ป้ายมีไอ้ป้ายมันทะเบียนมันแบบแบบแปลกๆเป็นเลขแปลกอักษรแปลกๆกันพูดอีกอย่างหน no ึงนะอันน <much> ี้มาตรฐานคนมนุษย์อต่นี้ถ้าอัลลอฮ์กำลังบอกว่านักอัลลอฮ์อีมาตรฐานมอกที่มองในสายตาของน้องนี่คนที่ไปที่เสธพระจะเลวกว่าเนรชาน เลวกว่าสัตว์ที่ถูกมองในโลกนี้เนี่ยว่ามันเป็นเดรัจฉานตอนเราเรียกว่าเดวะเดวะนสัตว์ดบะื่นว่าไมสัตวดโไม่มีสัตว์ใดๆในโลกนี้เนี่ยดบะเนี่ยก็คือทุกสิ่งที่มันเดินที่มันเคลื่อนไหวในโลกนี้ เราจะมองเห็นไม่มองไม่เห็นเนีดาบะทุกสิ่งที่มันเคลื่อนไหวทุกชีวิตที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเด็บใบเด็บบุบบุบที่มันเคลื่อนไหวเดินเดินในโลกเนี้มันจะเลื่อยหรือมันจะมีขาหรือมันจะกระโดดเนมันจะเคลื่อนไหวยังไงชีวิตมันจะเคลื่อนไหวยังไงในโลกนี้ี่ยมันเป็นดาบะดาบเนีพระโหก์เอกพจน์ของมันเนี่ยดบบะ إن شر الدواب ت ه ن م صعب، اللوّةِ شورعين نَبَلَ اللهَ ن ้ ك ُ و َّ ب ن ด ا ب و تِنيرَكُم. تَحْتَ مَا جَاءَتْ مِنْ رَأْسِهِمْ مِنْ رَأْسِهِمْ مِنْ رَأْسِهِمْ مِنْ رَأْسِهِمْ مِنْ رَأْسِهِمْ ِ ن ْ ر َ أ ْ س ِ ه ْ م ِ ن ر َ أ ْ س ِ ه ِ ن ْ ر َ أ ْ ن َ أ ِْ ه ْ م َ أ ْ س ِ ه ِ م ِْ ن ْ ر َ أ ْ س ِ ه ْ مِنْ ر َ أ َِْ س َ ก็เป็นสัตว์ที่มันเคลื่อนไหวในโลกนี้อัลลอฮ์ให้ให้มันมีปัญญามีสติมีอำนาจบารมีแต่มเนรคุณสายตาอัลลอฮ์นี่ก็กลายเป็นเป็นสัตว์ชั่วร้ายให้เรารู้ว่ามาตรฐางอัลลอฮ์เป็นแบบนี้เพื่อไม่ใช่ให้เรา เอามาตรฐานนี้เนี่ยมาใช้ว่าคนอื่นอย่างเดียวนะเราอย่าเป็นคนที่เสียเปรียบในการเรียนรู้หลักการศาสนาหลักการศาสนานี่อันดับแรกประโยชน์แรกที่เราได้มานี่คือเอามาใช้กับตัวเราเอามาใช้กับตัวเราก่อนที่จะเป็นมาตรฐานนะว่าอัลลอฮ์มองคนอย่าง น, นี่แง น, นี่ เดระฉานทั้งหลายเรามองตัวเราเรนี่ยเราต้องมองอันนี้มาตรฐานจะได้มองตัวเราก่อนแล้วต ก, ตกลงเราเนี่ยพ้นอย่าว่าอยู่ระดับที่เลวร้ายยิ่งนะเราพ้นจากความเลวร้ายยิ่งอยู่ระดับแค่เลวอย่างเดียวหรือพ้นจากความเลวไปทั้งหมด หรือยังอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอ๋อเราเป็นเป็นสัตว์ดีพยายามเอาจากที่มันแย่ที่สุดเนี่ยคือเราพ้นจากสภาพที่เนรคุณอัลลอฮสุภาละหดาละอย่างสิ้นเชิงเรีออยกงฟะฮุมลายุมินุคนนี้ปฏิเสธ คนที่เนรคุณเนี่ยดังนั้นพวกเขาจึงไม่ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาคนที่เนรคุณเนี่ยไม่ศรัทธาเราศรัทธาหมดเรียงศรัทธาในสิ่งที่เราสุภาโนวดานะได้สังชายทั้งหมดเรียงศรัทธาแล้วเราได้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนและการการที่จะให้คะแนนกับตัวเราเนี่ย ต้องให้คะแนนแบบแฟที่สุดพราคนที่คนที่พยายามที่จะเข้าข้างตัวเองในกให้คะแน น, นส่วนมากนี่ก็จะก็จะหลงความผิดของตัวเองคือมองไม่เห็นเล้วระกรสต์ดีว่ายาเล่ย์นี คุณตูช่ำระตันใน عضو รัจล์มูมีคืเจ้าปราถนาที่จะเป็นเส้นขนเส้นหนึ่งอยู่ที่แขนอยู่ที่มือหรือแขนผู้ศรัทธาคนผู้ศรัทธานะ่ะอย่าอย่าว่าจะหวังว่าฉันจะเป็นผู้ศรัทธานะขอให้ฉันเป็นเส้นขน ทันก็บนแล้วูตัวก่นกก็ให้คะแนนไม่ใช่หรอฉันจะเท่ากับอับูบัตัวอบูบัเองอะะตัวท่านอบูบัท่านนบีบอกว่า إيمان ของอุมมะกับของอับูบัีคนละเรื่องกันตัวท่านอบูบัเองบอกว่าขอยจนเป็นเส้นขนขนเส้นหนึ่งอะนะ ด้วยเส้นผมด้วยนะเด็เส้นผมนี่ก็อยู่เบื้องสูงก็อยู่ข้างบนอนะว่าขนเส้นหนึ่งอยู่ที่แขนอยู่ที่ข้างผู้ศุัทธาสักคนขอให้ฉันเป็นขอให้ฉันเป็นอนะีกนั่นตัวท่านอุบาสกนี่แล้วเราจะมาฝันว่าโ อ, อ้เราอยากจะเทียบกับอุบาสกใกล้ยงใกล้ถึงใกล้ถ เดีว่าเราจะเป็นเส้นผมหรือขนเส้นหนึ่งอยู่อยู่ในอยู่ในร่างของผู้ศรัทธาค น, นเราเป็นตกกะกั่งแตนสักตัวหนึ่งอยู่ยุคสหบ้านี่น่าจะบุญแลว้วตกกะกั่งแตนสักตัวหนึ่งกี่อยู่ในยุคนั้นนะ่ะน่าจะเป็นบุญแลว้วคนรุ่นรุ่นหลังอับคนรุ่นเรานะ่ะ สังเกตว่าอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى จะประนามคนที่ปฏิเสธปฏิเสธศรัทธาหปฏิเสธองค์การของอัลลอฮ์ سبحانه แะ تعالى ในรูปแบบรูปแบบหนึ่งกอหนี้เนี่ยรูปแบบหนึ่งฟรูบียิล i g r o ع p من كذبوا بآيات الله،igroup من كفروا، سيئ. ما يبي ي و ت ي بانه هو باتسية طماع من الله، هو باتسية. ح ُ ب ل َ ه ُ ك َ ل ِ و َ ك َ ن َّ ا ه كُنْ. هذا يعني أن كل شيء ه كون، الله سبحانه وتعالى، ا ل ل س ب ا ن มีให้เราอะเนรคุณทุกอย่างที่มันเป็นคุณทุกอย่างไม่ใช่องค์การอย่างเดียวนะไม่ใช่อาอยะห์แห่งเดียวนะเนระในขณะนีน้ปฏิเสธไม่เอาลักษณะ <c oughs> ของคนเหล่านั้นของคนที่ปฏิเสธองค์การของอเลาของคนที่เนรคุณ Allahu Akbar อัลลอฮ์พูดถึงคนทั่วไปแต่ในอายะนี้อัลลอฮ์เจาะจงกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอายันนียท่านมุจ a h ิดลูกศิษย์ของอัลลอฮ์เนี่ยบ้านสัแต่ไอ้หลายท่านบอกว่าอายะเนี่ยชุดเนี่ถูกประทานลงมาสำหรับชาวบานกุริซ แกบนนรุนนกยรซึ่งเป็นสองเผ่าชาวยิวที่อาศัยอยู่ ร, รอบๆเมืองมาดินะตอนที่นะท่านนบีอพยพมาอยู่มาดินะท่านนบีได้ทำสัญญาสันติภาพร่วมมือกับชาวยิวในการบริหารพัฒนาปกป้องเมืองมาดินาะด้วยกันจากศัตรูเดียวกัน ก็คือถ้ามีใครมุ่งมาทําลายชาวยูนบีจะร่วมสู้รบ ป, ปกป้องชาวยูนถ้ามีใครมาร่วมถ้ามีใครมาทําลายท่านนบีและมุสลิมชาวยูนก็จะต้องมาปกป้องท่านนบีแต่นี่บรรดนอาดีรและกะบ็บรุนกุไร้วะดันไปหักหลังท่านนบีแล้วก็ส่งตัวแทนไป ك َ ن ْ ح َ ك ا لِّهَا ا ل นَّ ع ْ ر ِ ي ْ ن َ م َ ر َّ ة เ وَمَرَّةً وَمَرَّةً و َ م َ ر َّอً و َยَ ر َّ ة ً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً وَمَرَّةً و َ م َ ر َّ ة َ م َ ر َّ ة و ََ ر َّ ة َ م َ ر َّ ة ً و َ م َ ر َّ م َ ر َّ ة ً و َ م َ ر َّ ة َ م َّ ة ً و ََ ر َّ ة ً و ََ ر َّ و َ م َ ر َّ وَمَرَّةً َ م َ ر َّ ة ً و َ م َََ เขาลายท่านบอกว่าอันนี้อ้ยนี่ยเกำลังบกปุรหิตแล้วังมันนีซึ่งการที่เขาได้ผิดสัญญาอันที้จะทำให้เกิดสงครามว่านูรก็กับมันหน่วี่ลังสงครามัอาภาษซึ่งสงครามอาภาษนี้ก็เกิดขึ้นในปีที่หคือเจ็ดเนอร หลังสงครามบัตรอีกห้าปีแสดว่าอาญาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวตรงกับสงครามบัตรแต่อาญาเนี่ยเกี่ยวกับถูกประธานลงมาที่หลังแต่ท่า น, นาวีสั่งให้มาให้มาวางที่นี่ให้มาจุดจุดที่นี่คือบรรดาผู้ที่เจ้าทำสัญญาไว้ในหมู่พวกเขา ชาวยูแล้วพวกเขาก็ทำลายสัญญาและผิดิวสัญญาของพวกเขาในทุกๆครั้งว่าหุ้มและตะโกนโดยที่พวกเขาหาเกรงกลัวไหมกล่าวถึงสันดานของของพวกยูที่ไม่ได้ไม่ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติตามสัญญาตลอด ในปัจจุบันกาทำสัญญาสันติภาพกับอียิปต์สูรบกันมาแล้วนะกับอียิปต์กับจอแดนกับฟัตต้าและนี่ก็ล่าสุดนี่ก็อิหรีานบาฮารีนมอรุคโค รัฐบาพวกนี้เนี่ยทุกชุดนะเขากรพิมคุณอ่านกันหมดหลุอานรอ่านกันอยู่เนี่ยเขาพิมกันหมดเลยคุณอ่านของอิเียเขาก็พิมของบัคเรนกรพิมโมรกโกกรพิมพิมกันหมดหละจะหาว่าเฮ้ยคยสัญากันนบีนะพวกเรากันนบีเนี่ยเป็นอะรโมร็อกโลูกหลานนบีนะหรือถ้าพูดกับกษัตริย์ของโมรโกเนี่ยอ่ ีของท่าน่ะปู่ของท่านนะก็นนะคะเคยทําสัญญากับยูแล้วที่สุดเนี่ยเป็นยังไงแล้วเอาล้อสั่งสอนบอกว่าน บ, บีบอกว่ายังไงบอกว่าเนี่ยผมก็รจัดการยังไงนะแต่พูดกับของโมร็อกโกที่เขาทําสัญญาไม่เข็ดอ่ะไม่เคยผ่าน่ไอ้นี่ย สุราอื่นๆด้วยสุราอื่นๆที่เราพูดถึงความบิดพิวของชาวยิูอ่ะทั้งนั้นเลยอีบนี่ก็พิมพ์กุณอ่านพิมพ์คุณอ่านเปียบเลยแล้วก็ในไท้ายนี่ตัตัวก้อนนั้นก็จะมีพิมพ์มานะไม่ใช่ตัวก้อนนันเดียวนี้ก็เหมือนกันแหะตอนทยเนี่กุณอ่านจะเป็นหนังสือเดียวที่เขาจะไม่มีคํานำคุณอ่านจะเป็นเล่มเดียวในโลกนะ บางอาจจะมาเขียนคำนำหนแรกนี่ไม่บางอาจใช่ป่ะอ่า ก, ก็ดีก็ยังมีมารยาทนะนะแ้าก็จะมีคำนำรารออะไรนึก็ต้องเอาไว้ตอนท้ายตอนท้ายนี่ก็จะมีจะพูดอะไรก็พูดไปแต่ก็ต้องว่าอได้รับความกรุณาถูกสั่งพิมพ์โดยกษัตริย์องค์นี้โดยโด ย, โดยประธานใะนที่พดีคนนี้อ้าวก็พวกเ อ, งอ็งไะ ที่สั่งให้พิมพ์คุรลานี่นะก็เองนี่แหละที่ที่สั่งให้ทำสัญญากับนี่แหละคนเดียวกันน่และแล้วไม่เข็ดแต่ละคนดิบดิบสดสดเลยอิมารีประกาศทำสัญญาสันติภาพทำไมทำสัญญาสันติภาพเพื่อยับยังไม่ให้ รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยไม่ให้สร้างนิคมในพื้นที่ที่ถูกยึดครองอีกวันหนึ่งในเตเนโอโเปล่าเลยเปล่าเลยไม่มีสร้างยังสร้างต่อโมร็อกโกบอกว่าเอเ น, นี่ยเพื่อจะได้สนับสนุนการเจราจาเปล่าเลยไม่มีไม่คุยกับฮามาสกับพวกนี้นไม่คุย ก็คือตกหน้าสดสดดิบๆเลปู่ย่าตายายของพวกยิว อ, อ่ะ์นะิวกอรน่ะยังบิดผิวแบบแอบบๆนะเอ็นี้ไม่ใช่เอ็นี้พูดอะไรนี่ซเอนออีกวันห อ, ออกบีไม่ไม่ไม่เลยเปล่าเลยออกเลยไม่ได้แอ บ, บนะไม่ได้แอ บ, บบิดผิวนะคือคำว่าบิดผิวเนี่ยมันก็หั ก, หกถักเท้าหักหลังนะั่นะมันก็มันก็มีในยะของ ความซ่อนเด่นนะ่ะคือไม่เปิดเผยอย่างา ง, างั้นเขาก็ไม่ได้เงินคือถ้าจะหักหลังชัดๆอย่างเงี้ยโอ้โหหักหลังได้ไงอะรู้ๆกันเนี่ยไอทีแบบนี้เนี่ยที่หักหลังกันรู้ๆแบบนี้เนี่ยเขาเขาไม่ไว้หน้าแล้วเขาไม่เชื่อแล้วแต่ยูเนี่ยเขาไม่กล้าทํากับนบีแบบนี้ไงเขาแอบไปคุยกับชาวกุริชให้มาสู้รบนบีโดยที่ไม่ได้บอกแล้วก็พยายามทําแบบลับๆนไ ง, งนบีมารู้ الله و ا ل ن بي ص ل ى ا ن فإنما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم علهم ي ذ ك ر و ا ت ع ا د ئ جذب พวกเขา وايضاً ในการ،ในกา ن ربط، قَدْ جُنَّبَ ل َ ئ ِ ن َ ك الْحَسَنَاتِ لَمَنْ ي َ ع ْ ل َ م ُ ه و ا เพราะว่าพวกเขาจะได้สัง่งอึงกล้ า, ากว่าพบเขาในสงครามก็ให้ทำแบบนี้แล้วก็ไอ้เรื่องี้ท่านนาบีก็ทำแล้วนี่แล้วทำไมมาสั่งละอุลามาก็เลยบอกว่าบามครัตวบีได้เรียนงานแสดงว่าอายะเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวกับอายะ ที่5้าสิบหกหละมันเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเริ่มใหม่เกี่ยวกับบุคคลที่จะบิดพิ้วถ้ามีสัญญากับเขาแล้วและเขาบิดพิ้วถ้าได้เกิดสภาวะสงครามจะต้องทำอะไรกับเขาซึ่งมันก็จะเป็นหมวดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง การตอบโต้หรือการลงโทษคนที่มีความประพฤติบิดผิวหักหลังในช่วงสงครามซึ่งเป็นเป็นมาตรการเป็นกฎหมายอีกอย่างหนึง่งอันที่จะมีคุณธรรมและศีลธรรมที่น่าซาบซึ้งมากแต่เวลาไม่เพียงพอคงต้องยกยอดไปสัปดาห์หน้ า, านะครับก็คงฝากเพียง่นี้นะครับอ่ลลอฮฺอาลัลานบีเรามุฮัมมัดอาลัอลีวซบ